กิเลสที่หยาบแทรกเข้ามาอาสวะเนี่ยนะคล้ายๆรกที่ห่อหุ้มเด็กอยู่<ม>เป็นทางผ่านเข้ามาของกิเลสนะบางครั้งจิตมันก็ดิ้นรนเหมือนอยากจะออกจากเปลือกอ อ, ออกไม่ได้นะจนเป็นพระราหันต์ถึงเปลือกนี้ถึงจะแตกไป64ี่ี่นี่ไม่ใช่นี่ทีหลัง6กสบกับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ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 ไม่ใช่รับรู้ว่าเขาว่าเราเรื่องอะไรนะรับรู้ว่าเรากำลังโมโหเขาอยอแล้วถ้าเราก็ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายโมโหด้วยภาวนาเพื่อให้เห็นว่าจิตมันจะโมโหมันก็โมโหของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ถ้าจิตชอบก็ชอบไปเองก็ไม่ต้องไปบังคับกลับมาแต่ถ้าจะอยู่ในโรคนี้เรา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 แค่รู้สึกเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเราคอยรู้สึกเนาะเห็นตอนนี้ใจเราไปคิดทราบไหมจะไปคิดซ้อนละรู้สึกไหมแต่พยายามดึงกลับมาไม่าดึงอย่าดึงถ้าดึงเราเครียดให้รู้นะไม่ให้ดึงถ้าดึงเราเครียดเจ้าขาส่งมาข้างหน้าวันนี้มีเด็กด้วยเอาก่อนก็เอานพัสการข่าวหลวงพ่อคือเอ่อ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 แล้วก็มีข้อกังวลใจอยู่นิดนึงค่ะคือหนูเป็นคนที่สวดมนต์ไม่เป็นเลยอะค่ะมันจะเป็นอุปสรรคอะไรไหมคะหลวงพ่อไม่เป็นหรอกนะสวดสั้นๆก็ได้พุทโธธรมโมสังโฆแค่นี้ได้ไหมได้ค่ะกังวลว่าเวลาเวลาฝันนะคะมักจะแบบว่าถ้าเกิดเจอผีเวลาสวดมนต์แล้วสวดมนต์ไม่เป็นแพ้มันทุกทีอะไรอย่างเงี้ย่ใครบอกว่าผีกลัวสวดมนต์ใครสั่งใครสอน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 มันเรื่องจริงเลยนะเอา95 95ก่อนขออนุญาตสมการบ้านครับ <c oughs> คือผมปฏิบัติโดยการเดินในที่ทำงานครับตอนนี้เห็นไม่ต้องทำงานหรอไปเดินตอนทำงานนี่เดินครับเดินแล้วก็ครั้งครั้งครั้งที่แล้วเรียนพระอาจารย์ว่าคืเห็นตัวเองเดินเป็นระยระะแล้วก็<อ>ครั้งนี้เห็นว่าตัวเองเนี่ยโกรธแล้วก็หเห็นความน่าเกลียดตัวเองแล้วก็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 เราพอไปได้ยินว่าหยานหยานว่าอุทธาตกุฎกุฎจายนึกว่าเกิดจตุตาทะชานจติชาๆๆเลคืออย่างนี้มันมีหลายวิธีนะจิตที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปแล้วใจเราไม่ชอบนะมันราคาญขึ้นมานะนี้เราลองฝึกใหม่เอาแบบที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกพิสูจ ท, ทั้งหลายเ <Celt ic. S 1> มื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเห็นไหมโ ย, ยมใช้ตัวโน้นตัวนี้ไปมุ่งแก้ความฟุ้งซ่านใช่ไหม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 อย่าตั้งเป้าอย่างนั้นนะลองเปลี่ยนใหม่มารู้มันตามความเป็นจริงจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุงรรร้งซ่านจิตสงบให้รู้ว่าสงบเราฝึกอย่างนี้นะเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะเลยนะครับขอบคุณครับส่งไปข้างหลังนัดที่ประตูข้างหลังเลยนะน้ำมัสการหลวงพ่อครับเออแต่เดิมแต่เดิมก็ศึกษาธรรมะแล้วก็แบบเมืกักลัวกลัวเวลาเราไม่ได้คิดแล้วกลัวจะโง่ใช่ไหมครัแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออรู้สึกตัวขึ้นมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ามัน